ปฏิบัติธรรมกันเนาะปฏิบัติธรรมมันเป็นภาษาของ จ, จิตใจจะได้เป็นการพบเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเราถ้าฟังแล้วก็เป็นการได้ยินได้เรียนรู้ได้จำเอาไว้ ดังไม่ใช่ตัวจริงของจริงต้องพบเห็นอันหนึ่งมันพบเห็นวิธีปฏิบัติการกระทำกรรมฐานอันเป็นการพบเห็นแต่การได้ยินได้ฟังเป็นการจำเอาลู่จำไม่ใช่ลู้แจ้งโลกเรา เป็นปัญญาชนศึกษามามากแล้วจบมาหลายศาสตร์เนี่ยที่การงานเคยมีเคยไปสอนท่านผู้ลูขอบอกว่าไม่ต้องสอนพวกเราทีากเรารู้มากแล้ว ไปอยู่วัดตั้นหมาหล่ยวดตั้นตันมาตั้งสอนพวกเราเรารู้มากแล้วจะให้เราทำอะไรพอเราทำดูเขาพูดจางนี้ถ้านรู้อะไรมาเขาบอกว่าเรารู้ตัวเอง ถ้าลู่เตียงถ้าล so ู mana, ่อย่างไรก็พาเขาทำเลยคือมือวางไว้บนเข่าวรงมาขึ้นลู่สุดตัวยกขึ้นลู่จุดตัววางมานี่รู้สึกตัวเพื่อนไหวทีใดลู่สุกตัวลู่สุกตัวนี้ลู่อย่างนี้เราลู่สุกตัวอย่างนี้ลู่สุกตัวอย่างนี้ลู่อย่างนี้ รู้อ ย, อยู่นี่รู้อยู่นี่นี่รู้อยู่นี่นี่คนเอเชียประสาทสดาว์าทั้งหลายเกิดอยู่ที่เอเชียเพราะรู้เรื่องนี้ผูกคนอยู่ยุโรปอเมริกาคนรู้นอกตัวไปรู้ท้องฟ้ารู้ดาวเทียมทุกคนขึ้นถึงดวงพระจันทร์แล้ว ยงังไม่รู้เรื่องนี้ น, นั้นลูกอันหนึง่งไอ้มี่เป็นลูกตัวเองไอลูกอย่างนี้พาเขาทำเลยเวลาเราปฏิบัติลองดูจะได้เห็นไม่ใช่เรียนรู้จะรู้ได้จากได้ยินได้ฟังมา การปฏิบัติการพบเห็นสิงที่มันเกิดขึ้นกับเราแท้ๆศาสนาเกิดขึ้นที่กายที่ใจนี้จิตปัญญาต้องเกิดขึ้นที่กายที่ใจนี้ปัญญาคือความรอบรู้ในของสังขารคือมันมีกายสังขารจิตสังขานี้จะเกิดขึ้นมาให้เราเห็นอย่างเดินรูนปกไม่ได้สมบัติ ก็เราล้ว่าโกรธไม่ดีแล้วก็ยังโกรธอยู่ทุกมันไม่ดีเราก็ยังมีทุกข์อยู่ดีใจเฉียใจมันก็ไม่ถูกต้องเราก็ยังดีใจเฉียใจเอาผิดเอาถูกให้เป็นเรื่องใหญ่ยแต่หลงก็เป็นเรื่องใหญ่ยังขัดความคิดก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะเราเลยลู่แต่ว่าถ้าเห็นเราเมันเรื่องเล็กน้อย สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจถ้ามีสติเป็นเจนที่วัดตั้งเอาไว้โดยวิชากรรมฐานแต่เราที่มันเกิดขึ้นมามักจะต่างกันกันกบสติอยู่มันจะไม่ไม่ค่อยจะมีค่าเพราะสติมันเป็นย่อยี่มนรู้สึกตัวหล่มนจบแค่นั่นแล้ว เรื่องของกายของใจมันจบอยู่ถีความรู้จักตัวไม่ใช่จบอยู่ที่คิดโน่นคิดนี่ได้ได้ผลได้หลักได้ฐานเอาวัตถุมากำหนดอันนั้นอันนี้ตามหลักวิทยาศาสตร์อันนั้นไปใช้นอกกายรอกใจไม่ใช่พ้นทุกข์วชาอะไรต่างๆศาสตร์ต่างๆ พระเจ้าก็จบม า, ส, าสิบเจ็ดศาสตร์ทีเมื่อยิ่งทะนูฝนดาบนอกจากนี้นก็ศาสตร์ทั่วๆวไปจึงจะได้เป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิน้อยยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแต่วิศาสตร์พุทธศาสตร์นานี้ศาสต์ที่เป็นการตัดจัลลุลู้แจ้งมรรคผลนิพพานนี่ มันเป็นศาสตร์ที่เกิดในกายในใจนี่รวมรลบรูปในกองสังขารชื่อว่าปัญญาปัญญาพุทธะไม่มีใครบอกใครประสบพบเห็นที่ว่าธรรมะรมภายเป็นพระพุทธเจ้ามากมายธรรมที่เกิดกับกายกับใจ ปายจุบัก็มีปัจกุศลก็มีวัิถุก็สัพเพร ม, มานาลังอภิณิวาสัยะทำทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นรูปมันก็ไม่ใช่ตัวตนที่มันเป็นขันหน้านี้แล้วมีอุปทานในขันธ์แต่พระสาเของศาส สาษาข้อธรรมทำให้กันพทะเจ้ารูปมันก็มาช่ตัวตนเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์มันก็มาช่ตัวตนสัญญาสังขารวิญญาณก็มาช่ตัวตนรูปนี้มันก็ไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่เที่ยงเฉลี่ยวลาคามไม่เที่ยง เย็บหลาความเป็นทุกข์ทั้งหลาใช่ตัวตนถ้มีสติจะได้เห็นอย่างนี้ว่าโดยย่ อ, อโอปทานและขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์พระเจ้าทร ง, งสอนสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากสาวกทั้งหลายก็รู้เรื่องนี้เป็นส่วนมากเรื่อนี้นุสสาชนีคือส่วนมาก วิธีเจ็ดจะรลู้เหล่านี้ก็ต้องคือกรรมาฐานมีสติเป็นกายเป็นประจำอะไรที่เกิดขึ้น ก, ก, กับกายกับใจก็จกแต่ว่ากายไม่ใช่จดบุคคลตนเราเขาก็ว่าอย่างนี้สติจะว่าอยา่างนี้ถ้ามีสติ เป็นสติเป็นคำพูดถ้าออกมาเป็นคำพูดก็พูดอย่างนี้แต่มันไม่ใช่คำพูดเป็นปัจจาธรรมในหัวใจทุกคนที่ปฏิบัติในกายอยู่ในกายเป็นประจำถ้ามาเกิดขึ้นมาอะไรที่กายมีสติเครื่องเผาจิเลสมีความเพียรถอนของพอใจและความไม่พอใจในโลก อ, อกเสือได้ สติเป็นคำพูดของสติกลับมารู้จึกตัวนี่แหละภาษาปฏิบัติแล้วกลับมารู้จึกตัวมันก็ไม่มีอะไรไม่มีร่องรอยแล้วกลับมาเรื่อยๆก็เหมือนกับสอนกายสอนใจมีสติดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจมันคิดหัวแน่จิตก็สวัจิตไม่ใช่สดบุคคลตัวตนเราเขาเนี่ พิชากังวาฐานสอนอย่างนี้พาาระอนุนเป็นพระผู้สูตรจำได้เยอะเรื่องนี้พระเจ้าสอนที่ใดที่ใดพระสูตรตัณฑ์วิดกพระอภิธรรมไปดกพระวินัยวิดกจำได้หมดแต่ไม่บรรลุธรรมจนพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วยังลองห้ อยู่เช็ต่วันตอนเย็นหลงลอยอพระเจ้านี่หวนมาสมน้ำจากน้ำขึ้นมาจากบ่อในคันทักกุติของพระเจ้าไม่บ่อน้ำที่น้น่น้ำดีมากเชตแต่วันเนี่ย แล้วก็น้มวัดภูเขาทองอละ่ะดีมากล้วตรวจสอนาสุกเครื่องตรวจก็า่าไม่ต้องกรองดื่มา้ายน้มเชื่อมตะวันก็ดีในประเทศอินเดียหนุ่ก็ตักน้ำขึ้นมาเคยตักน้มให้พระเจ้าสงฆ์ถึงเวลาก็ตักน้ำใส่ กรถางก็ถังไว้ยเจ้าก็เดินลงจากบนได้มาส่งน้ํำพระเจ้าปณิ่านไปแล้วพันธุ์ก็อย่างถอมเช่นนั้นน้องไงเสียใจอยู่แถวบ้านเขาดึกก็ทําไรทํานาแถวนั้นได้ยินได้เห็นสงสารพระอานุนคนนี้เธอก็ควเจงเดือน จะได้ทำสังขารนานพระเจ้าปรินิพานไปแล้วการทำสังขายนานี้เพียงพระเจ้าปรินิพานไปได้เจดวันเท่านั้นมีสุภะตปริภพาชกช่วงจอบธรรมวินัยขึ้นมาพระหมหาเกษตาได้ยินเช่นนั้น เรื่องจาบลังไายเล่าชัางหน่อยเนาะดีไหมเ <laughs> จ้าบีาิบาลในเนี่ยเจ็ดวันป h a หม a กษัตริยอยู่ไกลอยู่ในป่าแนละดวงป h a หาามากษัตรไม่อยู่ในบ้านในมืองกับเขา วัดป่าทึกปันนี้เกิดจากพระมหากระจปะเดินทางกูจะมาถึงกูชินาหลายก่อนนานหลายวันหมูสงลูกจิตเดินทางเข้ากูชินาลายกูจะมาถึงก็ได้เจ็ดวัน ก็เดินใกล้เข้ามากับคนเดินถ่านมาพี่เจ้าปฏิพัน์แล้วเนาะโยมเพืเดินผ่านมาก็โอ้พุทธิพานได้เจ็ดปันแล้วก็หลังจากถวายพรเพลิงอยู่แล้วเนี่ยวิญญาณนั่นหมู่สงที่เดินทางร่วม ก, กันกับพระมกัทละเป็นลูกศิษย์พระมหากัจจปะจะล้องให้เสียใจย จิตจะยังอ่อนรึ้เึงอนพระเจ้าปริพันธ์ไปแล้วมีพระสุวทธะปริพานชกโรกหนังก่าขึ้นมาท่านจะร้ อ, องให้เสียจะทำไม้ดีแล้วพระชาสดาตายาย ป, ปริพันธ์าจะไม่มีใครดูใครดา่าไ ม, ม่ใครชี้โทษสมัยโพองอยู่ก็ชี้นั่นก็หมดีนี่ก็หมาดีเมื่อเหลือเกิน ดีแล้วจะเ้องให้ทําไมพระมหากระจละได้ยินเช่นนั้นก็เสียใจเศร้าโศก อ, อ, อึดอัดออต่ำลงลูกขออ๋อฤทธาวายแต่พระเจ้าปริพนานเพียงเจ็ดบทก็มีเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาเนอะต้องประชมสงฆ์ทาถังขันนะวางระเบียบเอาไว้ พรเจ้ากับากสบาย์ก็เดินทางไปถึงก็ล้างจะเผาครับลงสวชิลิละพุทธเจ้าปรากฏว่าไววก็ยังไม่ลุกนพระหมากัสริยไปถึงที่ไปเอาเท้าฝ่าพั๊บบาดของพระเจ้าใส่หัวตัวเองครับ ชาวบ้านชาวมังกุจินาราจึงถวายพระเพลิงไปจงลุกขึ้นมาปรากฏว่าอังนั้นตามพระสูตนะรนาะพอถวายพระเพลิงจกกับกอโฉมสงค์นอนจนสมสกายน า, าเดือนสามเดือนหรืออะไรจำไม่ก็ได้การทำสังเนานี้ต้องเอาท้าปะละหันทั้งสีน เดีกว่าคนพระละหันทั้งหมดมากระดาษปาเป็นประคานสงฆ์แต่ว่าขาดพระนนท์ไม่เป็นพระละหันแต่ว่าขาดเป็นได้พระนนท์เป็นพระหุ่ยสูตรจำเลยมากเพื่อจะได้มาสาธยายรู้อะไรมาเพื่อจเจ้าสอนเรื่องไหนยอย่างไร ถ้าพ่นอนนท์ไม่เป็นพระหรหันต์งูสงต้องกววงเลยขี้ตรงพะนอหนนต้องรีบปฏิบัติเขาหลอพะนอหนนพะอหนนเสร็จเป็นพระหันต์เมื่อไหร่จะได้ทำสังกัดาพ่อนนนก็เล่งทำความเปลี่ยนตอนทั้งที่เป็นพระผู้ชูหมากขนาดนั้นความเปลี่ยน เมือ น, นก็พวกเราทำอยู่นี่แหละรูมาแทคกนุกคนละละอะรก่ก็รูมาแล้วจึงมาประกอบความเพยียรผู้ฉันเข้าอย่ฉันออกอยู่เนี้ยรู้ชักตัวอยู่เนี่ยในวันนั้นคืนนั้นการนอนก็ทำความเพยียรตั้งแต่ย่ำคำ่ำก็ถึงสังเงินฉางทองก็ขึ้น เมื่อได้หลับได้นอนเจ้าให้ได้เจ้าให้ได้หนึ่งวันสองวันสามวันที่ผ่านมาเขะสงทั้งหลายก็ถามเป็นไงท่านนอนพอที่จะดูกะเจอะแห่มากกว่านี้ผ่านแล้วเลยอย่างพอพอที่จะได้ที่ได้ทานแล้วขออีกหนึ่งวันขออีกสองวันเหมือนคนทนํานาทําไร่ทําสวน โหนดได้เชิดที่นอนเชิดที่นี่ไปอาจจะเป็นอย่างนั้นรูปรูปรูปนามรูปขันธ์หน้าตามความเป็นจริงรูปไม่เที่ยงไอ้ธนาก็ไม่เที่ยงรูปต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนืป่ากับใจมาอยู่ที่จิตใจมีสติดูจิตไมีสติดูจิตจิตวันชิดไปเลีงเข้าเกินไปไม่รู้จักหลับจากนอน ถ้าจะไม่ไนอนก็เออวางใจวางใจวางใจแล้วก่อนเล่งเกินไปสามใจสบายวางใจวางใจจะเย็นหลังสักหน่อยเพื่อจะต่อสู้วันชั่วโ ม, มงข้างหน้าเงียบสักหน่อยจะเย็นหลังหงอยไม่ถูกหมอน เรากดได้บรรลุธรรมตอนนั้นเลยคือวางใจแต่ก่อ น, นเอาให้ได้จะเอาให้ได้จะเอาให้ได้พ็หลงถัวเอาลรู้สู้กับความหลงความรู้สู้กับความหลงความรู้สู้กับทุกอย่างนี่การต่อสู้กันวางใจจะมาช่วใจวางวเห็นหลังหลงบรนะรลุธรรมตอนนั้นไปปล่อยวางปล่อยวางเก็วาง อาจจะยื่ยมเวลามันหลงก็เยื่ยมนั่นนะเวลามันก่อก็เยืยมมีแต่รู้รู้รู้อไปโอแค่นี้เองได้บรรลุธรรมเป็นพอหังจึงได้ทำสังขัยนาร้อยกองทำมาวิไยขึ้นมาเพราะฉะนัน้นทําให้มันเป็นไมาใช่รู้ทาให้เป็นการทาให้เป็นไม่มีใครสอนเรา เราต้องสอนตัวเราเองการลูกมีคนสอนน้อยนี่ครูอาจารย์เรียนจบมาแล้วสอนให้ลูกเราสอนให้เป็นเราต้องทําเองให้ามันหลงลูกนะอย่าไปยืดม่นถือบ่านวังใจวางใจปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวาง วิญญาณว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนที่จะเอาไปเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่เอากายเอาใจมารับใช้ความสุขความทุกข์มาเดี๋ยวเอาใจเอาใจมาลับใช้ความดีใจเสียใจอะไรต่างๆ ว, าง ว, างาว่างเลยว่างเปล่าเต็มไปด้วยสติว่างไปด้วยความเป็นความเป็นว่างกับเต็มมอัไรเดียวกัน เติมไปด้วยความรู้สึกตัวมันก็เลยว่างจากความมีตัวมีตนที่จะมาอาใจก็เลยเป็นใหญ่มีติแล้วเราอยู่มีสติตแล้วเราอยู่ก็ชี้หนาศพเป็นผู้มีติเป็นหน้าโลกมีสติเป็นวินัยก็ชีหนาศพคือพระอรหันต์มีสติเป็นหน้าโลก ใช่อย่างนี้เวลาเราพึกหัดปฏิบัติทำให้อมยิ่มสบายสบายอย า, อยากอยากรู้อยากเห็นอยากให้เป็นอย่างนั่นอยากเป็นอย่างนี้ยิ่งคนอื่นพูดออกมาเป็นเกณฑ์ที่วัดไม่ได้เราต้องดูตัวเอง วางก็ ว, ว่าลู่นี่มันวางแล้วลู่จิกตัวนึ่มันวางแล้วอลไรเกิดขึ้นลู่จิกตัวนี่ลู่จิกตัวไม่ให้ค่าสิที่เกิดมาจรมาลู่จิกตัวไม่ที่ไม่ต้อนรับลู่จิกตัวไม่ที่มีที่อาศัยลู่จิกตัวก็บอกถึงที่มาอาศัยคืนไปมันเหมือนกับว่า ออกคืนไปไม่ต้อนรับไม่มีที่อาศัยไม่ให้ค่าผม ร, รู้สึกตัวมันยิ่งหย่อกับทิ่ที่จอนมาจิตของเหล่านี่บริสุทธิ์ของใสยอยู่เสมอแต่เอาไปจิเลมันจอนมาทำให้เศ้าหมองอันความเศร้าหมองไม่ใช่จิต จนความโกรธความโลภความหลงกิเลสต่างๆราคาไม่ใช่จิตมันจอนมาเพราะเราต้อนลอบให้ค่ามันตอนทุกก็ให้ค่าเวลาทุกข์เราก็เหวตัวเองเป็นผู้ทุกข์มาได้เห็นมันทุกข์เป็นผู้ทุกข์เลยมีค่าขึ้นมาความทุกข์จะเห็นมันทุกข์มันก็ไม่ค่อยจะมีค่าเบ า, บ า, บ, าบาง ปล่อยเห็นก็ไม่เป็นง่ายรู้จักตัวเห็นไม่เป็นอลไยเห็นไม่เป็นล า, ายว่าได้ง่ายวางได้แต่นี่ใจถ้าเป็นวางไม่ได้ถ้าเห็นไม่เป็นลายช่างหัวมันง่ายไปเรื่อยๆปล่อยวางไปรีเอย์ถ้าเป็นละมัน ไม่เป็นไรพูดไม่ออกมันก็มีไม่ได้ไปได้ถ้าได้โกรธแล้วก็ไม่ด่า ม, มก็ไม่ยอมถ้าเป็นมันก็เป็นอย่างนั้นไปไกายเกิดบาปเกิดอกุศลขึ้นเกิดนรกเกิดอสุรกายเกิดดิเรกชอดขึ้นมางูไปเลยมืดไปเลยจำกันไม่ได้ไปรักกันก็จำกันไม่ได้วองโกรธมันปิดบัง เปิดโทรศัร้าย่กาดจับสตาอาวุธพูดออกไปทางวาจาเข็นฆ่ากันไปลบหลาขฆ่าวังกันไปไปไกลจนโดยถึงยั่วที่สุดบองทีก็เสียใจยผิดพลาดไปแล้วด่ากันแล้วหัวเมีจะด่ากันแล้วเวลาหายโกรอาอกัน เสียใจยก็มีตีลูกตีไปแล้วเอาเความโกรธไปให้ตีลูกพอหายโกรธแล้วก็สารลูกเสียใจยแต่ทำบาปทำกรรมไปแล้วเอาคืนไม่ได้เ <c oughs> ล้วรับใช้ความทุกข์ความโกรธอย่างนั้นมาบัดนี้มามีสติกันเถอะรู้จักตัวไม่ยากไม่ได้ขอใคร ไม่ต้องถามลคยหาตะวายเพื่จะได้ไปใช้อยู่ในโลกเป็นเครื่องมืออะไรเกิดขึ้นมาในโลกนี้หลอคนที่สุดคือรู้จักตัวนี่จะเป็นคนชาติใดภาษาใดรู้จักตัวเนี่ยอันเดียวกันแท้ๆ ลู้สึกตัวก็จะแสดงว่าดูแลตัวเองได้แล้วคุ้มครองตัวเองถ้าคุ้มครองตัวเองได้คุ้มครองคนอื่นได้คุ้มครองคนอื่นคุ้มครองงานการได้คุ้มครองรวนก็คงอะไรก็คุ้มครองได้ถ้ามีสติถ้าม่มีส ต, ติก็ร่มเหลวคุ้มไร้คุ้มดี ใ, ใจก็พึ่งใจไม่ได้ จึงมหาการเอ้เหมือนหลักเมืนหลักเป็นผู้หลักคู่ใหญ่ฝังหลักล้วงบายนังกับผู้หลักคือเป็นหลักอะไรจะเป็นดีเราไม่ใช่อยู่อย่างนี้อาจจะเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายพ่อคนแม่คนไปเรื่อยๆเหลือผู้หลักคู่ใหญ่เแต่ว่าหลักก็ฝัง ให้แน่นหนาไม่หวั่นไหววันหลักคือไม่หวั่นไหวให้เป็นาลายเราเป็หลักมีสตินี้ก็หลักผู้ขอจิตหลาแทงทึบไม่จะเทือนพรมฉันใดผู้ฝึกตนมีสติไม่หวั่นไหวเพราะนิมฐาสนแลเสริญฉันนั่นผู้หลอกผู้ใหญ่ จะได้เป็นลูกตุ่มจะได้เป็นที่อาศัยของสิ่งต่างๆเราอยู่ในโลกในโลูกมีหลอนมีปุดุันธ์ญาตสามีมีพี่มีคนสิ่งอะไรต่างๆก็ไม่มีหลักกับปิวปง่ายอาภัพไม่มีหลักไม่มีที่หอมสอนออกหิ้วไปไหนก็ปลอยจิตใจเขว่าให้สุข ก, ก็สุกเขาว่าให้ทุกข์ก็ทุกข์ เห็นท่าก็ทุกข์สังเสริญก็สุขเอาจริงที่เป็นสุขเป็นทุกข์ห้อยแขนเลยกับคนอื่นจริงเงื่อนวัตถุอื่นชีวิตห้อยแขนไว้ไม่เป็นหลักหลักคือมันต้องมีที่วางที่ตั้งที่ปักที่ฝังลงไปเห็นมันจึงประเสริฐมนุษย์เรามันประเสริฐอย่างนี้มันสอนได้อย่างนี้เป็นหลักจริงๆ นอกตัวในตัวยาอะไหลแต่รูปมันก็ไม่ใช่ตัวตนแตนามก็ไม่ใช่ตัวตนอาศัยตรงไหนอาศัยทําความดีอาศัยรูปอาศัยนามนี่เพื่อให้ปลูกสติเพื่อปลูกสติเป็นที่ตั้งของสติการพระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที่สุดในโลกคือนั่นอ่านเลยส อาศัยกายอาศัยใจเป็นที่ตั้งความรู้จักตัวเท่านั้นมาแช่อมาเป็นถูกเป็นทุกข์แตมื่อเอาอถ้าเม่ออาศัยเป็นที่ตั้งของคูามรู้จักตัวก็ตายทิ้งไปเปบ่เปล่าตายก็ไม่ตายเฉยๆเป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์พิพากเกี่ยวของรอกของชีวิตเป็นทุกข์ มันเป็นทุกข์ถ้าไม่ศึกษาถ้าศึกษามันก็ไม่ทุกขก์อะไรเชิดได้บาทีเชิดไดยคนที่โกรธไม่โกรธก็ได้หรือได้คนที่ทุกข์ไม่ทุกข์ก็ได้เองให้เชิดจะทําไมถูกตน้นชนตนเราเอาเลยรมาต่อรองกับชีวิตเราห้วยฉันกับที่ไหน เราอยู่นี่นั่งอยู่นี่ขอเราจะขยันวิเนอรทีนี้เริ่มต้นวิเนอรทีนี้รู้จึกตัวรู้จึกตัวเนี่ยให้โอกาสตัวอย่างอย่างนี้รู้จึกตัวจะได้เห็นจะได้ตั้งหลักได้เคยชินในความเคยชินจะไดง่ายฝึกไหวมันจะได้ง่า ย, ายเอาไปมาก็ไม่ต้องฝึก มันเป็นแล้วทำเป็นแล้วเราที่เป็นน่ยต้องฝึกก่อนถ้าไม่ฝึกมันไม่เป็นต้าไม่เป็นเวลาฝึกก็ให้มีสติเป็นที่ตั้งไว้ที่กายนี้ตามพระเจ้าสอนเอาเสายดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกนี่สติตั้งไว้ที่กายจะได้เห็นสิที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจ แล้วจะได้กลับมาหาจอางนี้จะได้กลับมาตั้งไหวไปนั้นก็กลับมากลับมาตั้งไหวปฏิคือปะคือกลับมาปฏิบัติคือกลับมากลับมาอย่าไปอย่าไปถ้าหัดกลับมากลับมาบ่อยๆก็ชํานาญต่อไปไมาได้หัดต่อ มันจะเป็นไปเองไม่ต้องมีหมอตัไนม่นต้องมาใช้มือเคลื่อนไหวมันมีในตัวมันแล้วกายก็ดูกายเองจิตก็ดูจิตเองมีจิตดูจิตมีสติดูจิตเองตัวมันเองดูมันเอ ง, มเองไม่ใช่ขออ้อนวอนขอให้นุ่นอันนีหมาช่วยไม่ใช่อย่างนั้นตัว น, นั้นแหละเป็นที่พึ่งของตน ขอต่อเห อ, โโอุตนู้นลองถั่วขอตอนนั้นเหลอเป็นที่พึ่งของตนพึ่งได้จริงจริงพึ่งความดีที่มีอยู่ในกายในใจเรานี่ยเราหงัดอาไว้เราเป็นบุญก็มีบุญใจดีเั็นใจดีพึ่งใจดีได้ก็มีบาปพึ่งไม่ได้ได้แต่เขาจะให้ทาอะไรใจวันทีก็โกด คนใจไม่ดีไม่ใช่ดีใจะใจดีมันไม่โกรธนะอดีใจมันยังโกรธนะอางทีได้ด่าเขาก็ดีใจหุนด่ามันกูก็ดีใจดอกหุวได้ฆ่ามันกูก็ดีใจถึงว่าอย่างนั้นก็ปีนั่นดีใจกับใจดีมันต่างกันดีใจไม่เอาอื่นมาต่อรองใจดีมันอยู่ในตัวมัน ใจเย็นช่ยเกินเย็นจอยไม่มีไหลที่มีรุดมีชาติฟูฟูแบเแบบไม่ฟูไม่เฟรดแล้วเย็นแล้วเหมือนถานไฟเย็นแล้วออกไปวางขาก็ไม่มีโลอนอยู่ที่ไหนไม่โลนใจของคนมันเย็นมันก็เลยเย็นไปหลายอย่าไม่เหมือนฐานไฟเหมือนผู้ที่เจ้า เดินวินทบดคนมองก็เห็นหรู้ว่าใจเย็นแล้วก็มองเห็นก็มีความสุขมีพรอมตอนหนึ่งนั่งขวั่หน้าบ้านอยู่พระเจ้าไปบินท บ, บาดเห็นพระเจ้าอุ่นบทเดินไปพรามตนนั่งก็ตะโกนขึ้นในใจปฐุปฐุป แต่ว่าเลยใครมีลูกชายอย่างนี้พ่อแม่ได้ผ่านปโตใครมีสามีอย่างนี้พรรยาได้นผ่านเห็นใบหน้าเห็นท่าทางเห็นจิตใจมันยากอุ่นใจเย็นใจทุกวันนี้เรามองหน้ากันก็ร้อนแล้วเห็นสามีเดินขึ้นบ้าน นหนหาสามีเย็นใจเห็นพญญาน้่งอยู่บ้านไปทํางานมาเหนื่อยเมื่อยล้าเหงือไหลขย้อยเห็นพญาอยู่บ้านใจเย็นลงทันทีนี่ไหมวงนี้ผ่าเลยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮไม่ว่าน้าบูดได้ไม่ใจกันหน้าอะไรแล้วเอาหน้าบูอบู ด, ดใจกันทําให้กันเย็นใจ ได้นี้ผ่านเพราะสามีปัญญาได้ไม่ผ่านเพราะเพื่อนได้ทำให้กันเย็นใจทำเหมือนเย็นในใจแล้วก็เย็นทั้งนอกได้แล้วใจมันร้อนกับร้อนทั้งนอกหรือก็ถือกับเป็นโลกกับเพาะอาหารเป็นโลกประสาทตัย <c oughs> เราจึงต้องฝึกกันเถอะโอกาสยังมีหายลงหายใจก็ยังฝึกได้เยอะหายเจเข้ารู้สุดตัวกอไดอยอาจจะไม่มีโอกาสเคลื่อนไหวสหาวคนที่ฉุดกลมหายใจไ ด, ได้ทุกโอกาสกำหนดลู้โดยการลู้ก็ใช่ด้ม่ต้องมีลมหายใจ เคยไม่เคยไม่มีลมหายใจหายใจไปได้เคยมาแล้วตายไปแล้วอ๋อไม่ต้องอาศัยลมหายใจละเราจะอยู่เฉยๆนี่กระโดดลุกโดยการรู้เฉยๆนี่แล้วก็ตาข้างหลับตาไม่ลงผมหายใจไม่มีหายใจไม่เข้าน้ำไหลปุ้มปากตาข้างหลับไม่ลง เอามายต้องอาใช้มันหลับลมหายใจก็อยู่นิ่งๆนี่แหละก็อยู่นิ่งอยู่นิ่งๆบปไม่เห็นทุกที่หนุนไหนเวลาใช้หลายมากมายชีวิตเราเนี่ยแม่ลมหายใจก็อาศัยไม่ได้แนละ้วจริงๆนะมีสติเนี่ยมันเป็นสติชนนะจะมีจิจชาติจะบอกเรื่องนี้จะสอนเรื่องนี้ จะเป็นนักบวชแบบนี้จะอยู่วัดว า, ารามอย่างนี้จะบอกคนอย่างนี้เพราะมันประเสริฐจริงๆสติเนี่ยโชคดีขอบคุณท่านที่มาที่นี่ไม่มีโอกาสไปพูดไปไม่ไหวแล้วแสดงทำได้แท่เพาะที่นี่นั่งที่นทนละไปพูดทอื่นเขาไม่ฟังดอกเสียงอย่างนี้ ไปไม่ไปที่ไหนไม่รับนิมนต์ที่ใดนั่งโคดได้เฉพาะตอนเช้าที่นี่เท่านั้นไอคนนี่เหมือนไปนู่นไปนี่ก็ไม่ไปอากามันใกล้หมดสภาพลงทุกทือแล้วอาศัยเพื่อนอยู่เวลานี้ยรันเราอาจจะเป็นหนุนเรานีกวได้รันหนึ่งอาจจะหายใจไม่ได้ก็มีเหมือนกัน่ะทุกข์หรือ ไม่ทุกข์หรือบอว่าเจ็บเป็นทุกเจ็บเป็นทุกขเด้อตายเป็ทุกขเด้อไม่ให้ทุกข์ต้องไหนไม่มีอะไรคําว่าทุกข์ไม่ไม่มีปวดก็ไม่มีหลงก็ไม่มีไปให้ข้ามันทำไมมีแต่รูปเรียนําธรรมชาติอาการธรรมดามันเป็นขันธ์ห้ารูปก็ไม่เที่ยงเวทนามันก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารมันก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยง รูปมันไม่ใช่ตัวตนเบิธนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนไปยึดอธรรมหมายว่าเป็นตัวเป็นตนจบเกิจะจิตาเที่ยงไหนมันไม่มีเห็นความไม่เที่ยงนะถูยิ่งใหญ่ย เมือ่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั่นย่อมหน่ายหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตำหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งปัญ า, านิพันธ์นิพันธ์อยู่ที่นี่เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เหลือกินแล้วเหลือใช้แล้วยืดเหล่าก็เห็นนะมีจิตีนะเห็นความเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวตนออกมาทุกทุกต้องมาย่ออาศัยมาละลาย หายจะมาได้ไปเสืตอตรงไหนเหมือนท่อนไม้ท่อนปืนหาประโยชน์มีได้จะได้ประโยชน์ตัวเนี้ยยกมือเคลนเคลื่อ น, นไหวไปมาอยู่เนี้ยให้รู้จักตัวอยู่เนี้ยใช่เหมือนซะแต่ไม่ใช่ตอนนี้จะเสียเวลานะแต่ใช่มบรรลัยให้มันล็อกมันเกียรชั้นสี่ได้เรื่องเรี่ยงรีบด่วนนะเดินด่วนจังหนอน มาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะกวรใจเวลาสถาป